ถ้าปล่อยวางก็ไม่บาปใช่ไหมถามทางพุทธสอนให้ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ถ้าไม่ยึดมั่นว่าเป็นบาปก็ไม่น่าจะบาปไม่ยึดมั่นนรกสวรรค์ไม่ยึดมั่นว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมครับ ตอบใช่ครับถ้าคุณไม่ยึดมั่นถือมั่นจริงบาปก็ไม่มีบุญก็ไม่มีนโกสวรรค์และการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีมีแต่ความว่างจากตัวตนและบร ม, มสุขเท่านั้นแม้แต่นักวิทยาศาสตร์อย่างไอสไตน์และไอ์เซนเบิร์กซึ่งเห็นความจริงลึกลงไปถึงระดับอนุภาคยังเคยพูดเลยว่าทุกสิ่งที่เราเห็นและสัมผัส ล้วนแล้วแต่เป็นมายาคุณคิดว่ามันมีจริงก็เพียงเพราะคุณสัมผัส พ, พวกมันได้โดยหารู้ไม่ว่าถ้าคุณปราศจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจโลกทั้งใบกับดาวทั้งจักรวาลก็จะเหลือเพียงความเป็นไปได้ที่จะมีหาใช่ว่ามันมีอยู่แน่ๆเรื่องของเรื่องคือ เมื่อคุณถูกหลอกให้เชื่อว่าอะไรๆต่างก็เที่ยงที่จะมีเที่ยงที่จะเป็นตัวตนจิตของคุณก็จะยึดมั่นถือมั่นตกอยู่ในอุปาทานว่าเรากําลังมีเรากําลังเป็นพูดง่ายๆว่ามีตัวคุณอยู่แน่ๆขอให้คิดถึงขณะหลับฝันจิตของคุณจะเกิดอุปาทานอย่างเหนียวแน่น ว่าทุกสิ่งที่เห็นในฝันเป็นเรื่องจริงทั้งที่ไม่มีอะไรจริงสักอย่างเดียวจิตของคุณต้องตื่นขึ้นซะก่อนจึงจะย้อนกลับไปเห็นอย่างท่องแท้ว่าภาพและเสียงในฝันล้วนเหลวไหลหาใช่ความจริงที่น่ายึดมั่นไม่สำคัญสุดยอดอยู่ที่ตรงนี้ครับตามธรรมชาติแล้วตราบใดที่คุณยังนึกว่ามีตัวตน นึกว่ากายนี้เป็นคุณนึกว่าจิตนี้เป็นคุณนึกว่าที่กาลังคิดคิดอยู่เนี่ยเป็นคุณจิตก็จะยังกลับไปกลับมาได้ระหว่างกุศลกับอกุศลตอนเมตตาอยากช่วยคนจิตจะเป็นกุศลตอนนึกโกรธอยากด่าใครต่อใครจิตจะเป็นอกุศลรากของจิตที่กลับไปกลับมาระหว่างกุศลกับอกุศลได้ ก็คือจิตที่ยังไม่ตื่นจากอุปาทานยังนึกว่าน่าเอาอยู่ยังนึกว่าน่าโกรธอยู่ส่วนใหญ่เมื่อเริ่มศึกษาพุทธศาสนาโดยเฉพาะเมื่ออ่านหรือฟังธรรมะขั้นสูงหลายคนจะเข้าใจว่ารู้ความจริงแล้วตื่นขึ้นแล้วเลิกยึดมั่นถือมั่นแล้วปล่อยวางแล้วไม่ตกอยู่ในจักรวาลแห่งมายาแล้ว แท้ที่จริงไม่ใช่เช่นนั้นถ้าปล่อยวางถึงสุดยอดจริงๆจิตคุณจะเบิกบานและตื่นเต็มเปรียบเหมือนคนที่แม้ยังฝันอยู่แต่ก็มีสติรู้ตัวว่าฝันและไม่มองภาพเสี่ยงในฝันว่าเป็นตัวตนสักนิดเดียวอาการโลภอยากได้หรืออาการโกรธอยากทำลายหรืออาการหลงสำคัญว่าตัวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จึงเหือดหายไปสนิท แต่ถ้าแค่ปล่อยๆวางๆแบบประเดียวประดาวสติตกเมื่อใดจิตตกเมื่อนั้นก็ต้องเวียนว่ายสลับกันระหว่างมีจิตดีกับจิตร้ายเรื่อยไปและโดยธรรมชาติของจิตก็มีความลึกลับมหศัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมชาติอื่นใดทุกชนิดกุศลละจิตคือรากของสวรรค์อกุศลละจิตคือรากของนรก หากจิตคุณยังเป็นกุศลบ้างอ ก, กุศลบ้างก็แปลว่ามีสวรรค์และนรกอันสร้างขึ้นจากจิตรออยู่และเป็นนรกสวรรค์ที่สัมผัสได้เหมือนที่คุณสามารถสัมผัสโลกนี้แหละไม่ใช่เพียงสวรรค์ในอกนรกในใจขณะยังเป็นมนุษย์นะครับกล่าวโดยสรุปคือ ถ้าคุณยังมีความรู้สึกในตัวตนและประกอบกรรมดีด้วยความเป็นตัวตนนั้นเงาหัวของคุณจะทอดขึ้นสู่สวรรค์ทันทีแม้ความนึกคิดจะไม่เชื่อว่ามีสวรรค์ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสวรรค์หากตายไปพร้อมกับความงดงามทางใจคุณก็ไม่มีที่ไปอื่นนอกจากสวรรค์ในทางกลับกันถ้าคุณยังมีความรู้สึกในตัวตน และประกอบกรมชั่วด้วยความเป็นตัวตนนั้นเงาหัวของคุณจะทอดลงสู่นรกเช่นกันแม้ความน Ы ึกคิดจะไม่เชื่อว่ามีนรกไม่ยึดมั่นถือมั่นในนรกหากตายไปพร้อมกับความอับประลักทางใจคุณก็ไม่มีที่ไปอื่นนอกจากนรกการเวียนว่ายตายเกิดก็เ <hör> ช่นกัน แม้คุณคิดคิดเอาว่าไม่เชื่อไม่ยึดมั่นไม่ชอบใจให้มีการเวียนว่ายตายเกิดแต่ตราบเท่าที่คุณยังไม่ศึกษาวิชารู้ตามจริงแบบพุทธใจของคุณก็จะไม่มีทางเห็นความจริงเกี่ยวกับกายใจนี้ว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนและเมื่ อ, อยังยึดว่ากายใจนี้เที่ยงกายใจนี้เป็นตัวของคุณก็เท่ากับยังเลี้ยงเหตุแห่งการเกิดใหม่ ด้วยความไม่รู้แล้วตายลงด้วยความไม่รู้ไปเรื่อยๆเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ปราศจากวันจบวันสิ้นครับ